เราก็อยากจะตอบโต้หรือว่าบางครั้งก็อยากจะหาทางหนีทางออกด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องชอบทำหรือบางทีก็ไปหาความสุขที่มันหยาบนะมากลบกลือนความทุกข์บางทีก็ไปหานะเล่าไปหายาเสพติดบางทีก็ไปคอร์รัปชั n นนะเพื่อจะได้มีเงินมาปลดหนี้ สารพัดต่างๆเหล่านี้มันรนวนแล้วแต่บ่งชี้ว่าจิตใจเราไม่มัน่นคงและที่ไม่มั่นคงส่วนก็เพราะว่าขาดศรัทธาอันนี้เมื่อเราเราเราูถึงพรัตนาตายแล้วเนี่ยนะก็ให้เรามีจุดหมายในชีวิตที่แน่วแน่นจุดหมายในชื่อของชาวพุทธนะสูงสุดก็คือนิพพานนะ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 แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเพลิดเพลิน <ๆ S 1> ยินดีในโลกธรรมฝ่ายบวกนะนะก็ธรรมดาที่จะต้องทุกขะทมหรือว่าวันไหวใจกระเพื่มเมื่อเจอโลกธรรมฝ่ายลบเกิดความทุกเกิดความเศร้านะแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเรานะนะตั้งมั่นนะเพราะว่าได้เข้าถึงพระนิพพานเป็นจิตที่สงบเย็นโลกธรรมมากระทบมา เรียกว่ามาแปดเปื้อนนะมาถูกต้องก็ไม่ทำให้จิตใจระวันไหวอย่างที่นะบทสวนเมื่อสักครู่ก็สาธยายว่าเนะี่ยบุคคลใดก็ตามที่โลกะตมัมอะโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วนะเป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกไร้ธุลิกิเลสเป็นจิตกเกษมสารอันนี้แหละคือคุณสมบัตินะ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 หน้าตาศักดิ์สิต่างๆยุคที่เป็นยุคบริโภคนิยมนะที่มันจะคอยดึงจิตใจเราให้เหินห่างจากจุดมุ่งหมายหรือตรงกติของชาวพุทธนะเราก็จำเป็นต้องย้ำเตือนนะจิตใจเราอยู่เสมอถ้าเราไม่ได้สวดแต่ปากนะแต่ว่าใจเนี่ยน้อมพิจารณาใจเราก็จ ะ, ะยังลึกลงไปใน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 ทรัพย์สินเงินทองหรือว่ามีคนรักนะอยู่รอบตัวเพราะว่าเรื่อนั้นน่ยมันเป็นเพราะที่พร้อมนะที่ทําให้เรานะจะเรียกว่าไม่พอวงก็ได้ทำให้เราสามารถที่จะทุ่มเทนะเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยได้เข้าถึงพระนิพพานนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจเพราะว่าเราสุขสบายดีอยู่แล้วนะ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 คนสมัยก่อนนี่เขาทุ่มเทมากนะบางทีอาจจะทุ่มเทจนหน้าตกใจนะสมัยแระการที่สองและการที่สามเนี่ยนะนะมีคนจานวนไม่น้อยเลยนะที่เขาติดใจเนี่ยเขามุ่งมั่นนะเพื่อไม่ใช่แค่พระนิพพานเท่านั้นนะมุ่งโพธิญาณเลยคือตัดสุลเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและทางลัดหรือว่าที่เขาทำนะก็คือการเผาตัวเองนะ ที่วัดอรุณเนี่ยก็จะมีมีเรียกว่าอนุสาวรีย์หรื อ, อรูปปั้นนะของคนสองคนนะเอจะมีมากกว่านั้นนะชื่อนายนกนายเรืองนี่เป็นคนที่มุ่งมั่นนะในการประพฤติปฏิบัติทำมากไม่ใช่แค่รักษาศีลไม่ใช่แค่ให้ทานนะอย่างที่ทำทั่วไปนะแต่ว่าถึงขั้นว่าพร้อมจะอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อ โที่ยานได้และวิธีและเก่าที่ชืงนเขาเนี่ยนะก็คือการนะเอาผ้าเนี่ยมาพันตัวแล้วชุบน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผา <c oughs> คนก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็เยอะนะแล้วก็ชื่นชมศรัทธาด้วยก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่าตอนที่ถูกไฟเผาเนี่ย <c oughs> เขาดิน้นหรือว่าเขาทุรนทุรายหรือเปล่านะ แล้วพอตายแล้วก็มีคนสร้างรูปเคารพให้แล้วก็มีคนทําตามหรือเรียนแบบนี่อยู่หลายคนนะบางทีก็ตัดแขนมั่งนะนะที่ใจไม่ถึงเนี่ยจะจะอุทิตทั้งชีวิตก็ตัดแขนถวายเป็นพุทธบูชามนะั่งแล้วจนกระทั่งรายการที่สี่ต้องห้ามเลยนะออกประกาศห้ามห้ามเผาตัวเองเพื่อเป็นพุทธบูชานะอันนี้เป็นความเชื่อสมัยก่อนนะว่า าการอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อโพธิญาณเนี่ยก็ทำให้ได้บรรลุธรรมได้เล็วเข้าไม่ใช่บรรลุนิพพานเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียวมันมีความเชื่ออย่างนั้นนะในสมัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามจนหนึ่งรัชกาลที่สี่อันนี้ก็เห็นแล้วนะว่าเขาเนี่ยมีความเรียกว่าทุ่มเทมากนะแต่ว่ามันก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าจะไปเข้าใจว่า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 นะอันนี้น่าทํามากกว่านะคือปฏิบัติธรรมจนกรทัทงไม่ไม่ไม่คิดเสียดายชีวิตนะอันนี้ต่างหากที่ที่เป็นการสละที่ถูกต้องหรือไม่ก็สละเพื่อช่วยผู้อื่นนะอย่างในสมัยที่พระ เ, เจ้าพระองค์นี้ยังยังเป็นพระโุธิสัตว์นะเป็นฤาษีเนี่ยก็เคยสละชีวิตเนี่ยเพื่อช่วยลูกลูกเสือมาแล้ว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 แทนนะเพื่อช่วยชีวิตลูกเสืออย่างนี้ก็เรียกเป็นการบาเพ็ญทา น, นบารมีนะแต่ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายนะเป็นการช่วยนะเป็นการช่วยนะลูกเสือเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่เป็นการใช้กรรมนะบางคนไม่เข้าใจาว่าการกระทนี้คือการใช้กรรมนะอันนี้ก็เป็นการตีความที่เรียกว่าออกทะเลไปเลยนะที่จริงก็คือการสร้างกรรมดีมากกว่าเป็นการบาเพ็ญบารมี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 การเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเริ่มต้นด้วยกายานุปัสสนากายนกายนุปัสสนาเนี่ยนะก็สิ่งสำคัญนะก็คือการสร้างความรู้สึกตัวมีหลายวิธีนะแต่ว่าข้อสำคัญข้อนึงคือการสร้างความรู้สึกตัวนะหรือการทำความรู้สึกัวยเกิดขึ้นรู้สึกตัวนะ ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้นะหรือรู้สึกตัวในขณะที่เร า, าเจตนาสร้างอิเลียบทก็ไดนะ้การทำความสึกตัวในชีวิตประจำวันก็อย่างที่พูะเจ้าได้สอนเป็นแนวทางเอาไว้นะก็คือว่าทำความสึกตัวในเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเลีนะ้ยวหลังแลหน้าเวลาคลองผ้าเวล า, าคลองบาท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 ให้มีความสึกตัวรู้ว่ากายทำอะไรนะแล้วก็รู้ต่อไปว่าเวลาใจมันคิดนึกนะก็รูนะ้เมื่อรู้ว่ากายทำอะไรนะนะเรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยอันนี้ก็เรียกลมรวมว่ารู้ตัวก็ได้นะรู้ตัวคือรู้กายรู้ใจนะคนเราเวลาทุกเนี่ยนะเป็นเพราะไม่รู้ตัว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 นะหนักเข้ากับกลุ่มอกกลุ่มใจไปหนักกว่านั้นหรือทําต่อเนื้อก็กลายเป็นหดถูไปเลยอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าใจมันเผลอคิดไปใจไม่อยู่กับปัจจุบันและที่เป็นเช่นนั้นได้เพราะว่าไม่มีความรู้สึกตัวไม่อยู่กับปัจจุบันความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เมื่อใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวนะ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 เพียงแค่ความคิดนั้นดับไปให้ความโกรธความเศร้ามันก็ดับไปด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะตรงนี้แหละที่เราเริ่มเข้าสู่พรมแดนการรู้ทำแล้วนะก็คือเดิมทีเรารู้ตัวคือเห็นกายเคยไหม ใ, หใจคิดนึกต่อไปเลยเห็นว่ามันมันเกิดอย่างไรดับอย่างไรมันมาอย่างไรไปอย่างไรคือมีปัจจัยที่ทําให้มันเกิดขึ้นและพอปัจจัยนั้นดับมันก็ดับไปหายไป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 อันนี้แหละที่ทำให้เราได้เข้าใจนะได้เห็นความจริงนะเห็นธรรมชาติของอารมณ์และความคิดเหล่านั้นก็คือว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเป็นอนัตตาในการเห็นอย่างนี้แหละเห็นในแนวนี้แหละนะที่เรียกว่ารู้ธรรมนะเดิมทีเดิมแรกแรกๆเนี่ยเราเรารู้ตัวก่อนนะ และความรู้ตัวนี่แหละที่มันทําให้เราได้เห็นนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายและใจเห็นนี่เห็นแบบไม่เข้าไปเป็นนะรู้เนี่ยก็รู้แบบรู้ซื่อๆนะก็คือว่าไม่ไม่ผลักไสในสิ่งที่เป็นลบแล้วก็ไม่ไขว่คว้าสิ่งที่เป็นบวกไอ้แค่รู้การรู้ซื่อๆเนี่ยรู้เฉยๆเนี่ย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 รู้ว่าเศร้าแต่ทำไมความเศร้าไม่หายาครูบาาจาบอกว่าถ้ารู้เฉยๆรู้สื่อๆเนี่ยมันก็ดับไปนะแต่ทำไมมันยังอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสติของเราเนี่ยยังไม่แรงพอหรือว่ายังไม่มีกำลังมากพอเหมือนเหมือนเหมือนกับกองไฟนะที่มันลุกทุลุกโรงขึ้นมาเราปืนฉีดน้ำฉีก็ไปเนี่ย นะมันดับไหมมันก็ไม่ดับนะแต่ว่าไม่ใช่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะมันา จ, จะไฟมันอา จ, จะสงบสักพักเสร็จแล้วมันก็ฟูขึ้นมาใหม่อันนี้เพราะว่านะน้ําน้อยนะยอมแพ้ไฟมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมันในจิตใจของเราจะเป็นไฟก้อนใหญ่นะเพราะเราปล่อยให้มันลุกลามนะมาเป็นชั่วโมงมาเป็นมาเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้ว ไอ้ความรู้ตัวของเราเนี่ยหรือว่าการมีสติรู้ทันเนี่ยมันสติของเรายังอ่อนนะมันเกิดขึ้นประเดียวประดาแล้วก็ดับนะก็เปลี่ยนเหมือนกับน้าที่น้ำน้อยนะแล้ววนั้นเนี่ยมันก็เลยนะกองไฟที่มาลุกท่วมใจเราก็เลยยังไม่ยังไม่ไม่ดับไปง่ายๆเรื่อจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีอ่ มีสติที่บริสุทธิ์นะก็คือไม่ได้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆสิ่งที่ซ่อนเล่นอยู่ในในในตัวสติเนี่ยนะก็คือความไม่พอใจนะความรู้สึกลบนะต่ออารมณ์เหล่านั้นนะธรรมชาติของอารมณ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราไปต่อสู้ไปทะเลาะบ่าแวงกับมันหรือว่าผลักสายมันเนี่ย มันก็ยิ่งต่อต้านนะแรงกดเท่ากับแรงต้านเวลาเรามีเวลามีความโกรธคือเกิดขึ้นแล้วเราพยายามผลักสายพยาามกดข่มมันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเติมเชื้อเติมไฟให้มันนั่นก็ยิ่งลุกยิ่งโผลงยิ่งลุกยิ่งแรงขึ้นเราตั้งใจจะผลักมันกดข่มมันนะมันอาจจะดูเหมือนหายไปชั่วคาแต่ว่าเผลอเมื่อไหร่มันกโพลขึ้นมาใหม่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 มันก็หายไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่รู้เฉยเฉยถึงแม้ว่าจะคิดว่าตัวเองรู้เฉยเฉยแต่จริงไม่ได้รู้เฉยเฉยนะมันมีมันมีตัวความรู้สึกลบต่ออารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันซ่อนนะอยูนะ่ขณะที่รู้สึกว่าเห็นความโกรธมันก็มีความรู้สึกอยากจะให้ความโกรธหายไปมันมีความรู้สึกไม่ชอบความโกรธนะ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 ความสืบรอบต่อความโกรธนั้นนนั้ถ้าเราเจริญสติเราต้องนะต้องล้วงไปให้ลึกถึงตรงนี้เลยนะไอตัวที่มันซ่อนอยู่เป็นอยู่ข้างล่างหรือเป็นเป็นฐานเนี่ยไม่ใช่เห็นแค่ความโกรธนะแต่ว่าเห็นลึกไปนะถึงว่าไอความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นกลางต่อความโกรธนั้นเนี่ยนะอันนี้ต้องใาศัยสติที่ที่ที่ที่วัยนะในระดับหนึ่งนะ ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นแหละนะจะไปหวังให้มันเกิดขึ้นเร็วก็ไม่ได้นะแต่มันต้องเกิดการปฏิบัติแบบาจ้กงนั่งสติเราไว้นะไม่ใช่แค่เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังเห็นความรู้สึกลบนะที่มีต่อความโกรดนี่นนอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องรู้ทันนะสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ข้างในใจของเราด้วยในสมัยในสมัยตะเนี่ยนะ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 เมื่อพี่ชายจะบวชก็ให้น้องเนี่ยนะรับภาระดูแลนะครองราชนะเป็นอ่าดูแลบริหารบ้านเมืองพอน้องรู้ว่าภาระของภาระที่จะต้องตามมานี่มันเยอะนะก็เลยบอกขอบวช ด, ดีกว่านะเพราะว่าสบายนะบวชเพราะว่าหนีปัญหาหนีภาระแต่บวชไปบวชไปก็เกิดมีความศรัทธาในการปฏิบัติ แล้วก็การปฏิบัติก็ก้าวหน้าแต่มาถึงจุดหนึ่งก็ติดตันนะคือท่านปฏิบัติจนกระทั่งเห็นจนท่านมีตาทิพนะมีตาทิพแล้วก็สามารถที่จะเห็นหมือโลกธาตุได้ไอ้หมือโลกธาตุเนี่ยจะหมายถึงกาแล็กซี่ที่มันอยู่ไกลออกไปไกลโพ้นก็ได้หรือว่าคนลึมิติก็ได้ท่านก็แปลกใจว่าท่านไม่บรรลุธรรมสักทีนะยังไม่นิพพานสักที ก็เลยไ ป, ไปปรึกษาพระสาริบุตรนะซึ่งเป็นพระครส า, าวกก็ไปปรึกษาทานองนี่ว่าทาั้งนที่ข้ขาพเจ้าเนี่ยนะทั้งที่ข้าพเจ้าเนี่ยมีตาทิดเนี่ยเห็นหมื่โลกธาตุและทั้งนังที่มีความเพียรนะไม่คลอนแคลนแต่ทำไมนะยังไม่บรรลุธรรมสักทนะีถามพระสารีบุตรทานองเนี่นะ พระเสด็บดชี้เลยนะว่าที่ท่านพูดว่ามีตาทิพเทียนเหมือลกระทานเนี่ยแท้จริงเนี่ยอันนี้คือตัวมานะมานะนี่ก็คืออีกโก้พูดง่ายก็นะคือรู้สึกภาคภูมิใจว่าเนี่ยฉันเนี่ยมีตาทิพหรือว่าต้องการอวดต้องการแสดงความสามารถว่าเนี่ยฉันเนี่ยมีตาทิพนะที่ท่านพูดเช่นนี้เนี่ยนะเนี่ยมันมันคือมานะ และที่ท่านบอกว่าท่านมีความขยันมันขยันไม่คลอนแคลนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือตัวฟุง้งซ่านนะคือความเพี ย, เยรเนี่ยความฟุ้งซ่านนี่มันไปด้วยกันนะถ้าเพียรมากๆเนี่ยแล้วก็ที่ท่านถามว่าทําไมนะถึงไม่ถึงไม่บรรลุ ธ, ธรรมสักทีเนี่ยไอ้ที่ท้ายตัวนี้แหละนะก็คือความวิตกกังวลนะที่ภาษาพ่ะเรียกว่ากุกกขจะนะ ตัวแรกคือมานาตุที่สองคือนะความฟุง้งซ่านนะอุทธัจจ์ก็คือว่าแทนที่จะบอกว่าทาั้งทั้งที่ข้าพเจ้าเห็นตาทิพตนะ์ทั้งที่ข้าพเจ้าเนี่ยมีความเพียรทําไมถึงไม่บรรลุธรรมที่จริงน่าเป็นว่าเป็นเพราะข้าพเจ้าเนี่ยนะมีมานาคิดประตองตาทิพหรือว่าอยากจะหลงตนว่าตัวมีตาทิพแล้วก็เป็นเพ่อฟุ้งซ่านนั่นแหละ ถึงทำให้ไม่ไม่บรรลุธรรมคือพระพระสายราุ้งท่านชี้ให้เห็นนะว่าไอ้สิ่งที่ตัวที่ซ่อนอยู่นะในคําพูดเหล่านี้เนี่ยพระอนุลุทธะมองไม่เห็นพระอนุลุทธะท่านมองไม่เห็นว่าเนี่ยมีมานะซ่อนอยู่นะในคําพูดนี้มันมีความฟุ้งซ่านนะที่ซ่อนอยู่แล้วก็มีความวิตกกังวลเนี่ยที่ทำให้พูดอย่างนี้ขึ้นมาว่าทําไมถึงไม่บรรลุธรรม บอกว่าพระอนุรุธานี่ท่านเก็ตเลยนะท่านเข้าใจเลยอ๋อที่แรกท่านมองไม่เห็นนะว่าไอตัวมานะตัวอุท ธ, ธ, ธ, ธจารกุตจานี่มันมันซ่อนเร้นอยู่พอพระไซร์บดพูดเนี่ยท่านเข้าใจเลยนะท่านเห็นเลยนะว่าไอสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในคําพูดเหล่านี้เนี่ยนะที่จริงเนี่ยมันคืออุปสรรคที่ทําให้ไม่บรรลุธรรมพอท่านรู้เนี่ยท่านก็นะสามารถที่จะปฏิบัติจงกระทั่ง ไอตัวตัวกิเลสเหล่านี้เนี่ยมันหายไปแต่ก่อนถ้าไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นว่ามันคือกิเลสนะเพราะอะไรเพราะมันซ่อนอยู่นะมันซ่อนอยู่คราวนี้เนี่ยโชคดีที่ท่านได้กัลยาณมิตรนะคือพระสายเบุตรเนี่ยที่ท่านฉลาดมากก็ทําให้ท่านเห็นเลยนะให้ทําให้พระ อ, อนุรุธทธาเห็นเลยว่าโอ้เราเนะียไอที่ไม่บรรลุธรรมนี่ก็เพราะกิเลสนี่แหละ ไอ้ที่พูดอย่างนั้นไปเนี่ยเพราะกิเลสนะเพราะมานะเพราะความฟุง้งซ่านเพราะความกังวลพอรู้ปุ๊บเนี่ยการก็สามารถที่จะอถอนมันออกไปจากใจได้ในสุดก็บรรลุธรรมนะท่านพระสรุไม่ได้ทําอะไรมากกว่าเชื่อเห็นว่ า, ามันมีกิเลสครองใจท่านหรือมันมีกิเลสที่ซ่อนเล่นอยู่นะหรือตัวนิวรนนะ์ที่มันรบกวนจิตใจโดยที่ท่านไม่เห็น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 ย้ำๆหมั่นสร้างความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวไว้นะแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยไปสู่การรู้ธรรมนะจกนกระทั่งพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ไม่พ้นทุกข์าวร น, นะหรือนิพพานแต่ว่าการพ้นทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าไม่หลงไม่ลืมมันก็สำคัญเหมือนกันเอาคำนี้พูกันเท่านี้อากราบพระ